เพราะว่าการแพทย์ามปีอดหมดไม่มีจัดไม่ได้เลยแพทย์จะทำให้เราุดหาจับราหยุดให้เราออกเลยเแปลทาตามมาเรียนตำางเาจะรวมเข้มาแล้วเ็นเรเรดูินเกดทุกวันนี้โอ้ จำาป็นจำได้สวนวงสวนานจึงน้งมีบนบนบนวิกญาณตาจรหลงหน้ากราหลงหลังนั่นน้าไ้พระให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทุกๆองค์นะสติติแนบกับตัวอย่าให้เผลอนะนี่หละพื้นฐานที่จะก้าวเข้าสู่มรรคส่ผลถึงความพ้นทุกข์ ปัจจุบันก็สวยงามคนมีสติพระมีสติสวยงามถึงจะเร่งจะด่วนอะไรสติติดเนี่ยงามทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสติเเอาเครื่องแต่งตัวกี่ล้านเอามาประดับนี่ก็เหมือนประดับกองขี้นะ่ะเข้าใจไหมตัวเรามันมีแต่ขี้โซครเปล่เอาอะไรมาประดับมันก็ประดับขี้เนทะ่านั้นแหะ ถ้ามีสติปั๊บมีปรับตัวเรียบร้อยไว่ต้องหามาจากที่ไหนมีสติสติเป็นความจดจ่อรู้อะไรปั๊บนี้สตินี่จะรับทราบทันทีทันทีจากนั้นปัญญาก็ออกก้าวเดินพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราให้ให้อยู่กับสติกับปัญญาความสังรวมระว่างตัวนี่แหละคือองค์ศาสดาอยู่ตรงนี้นะ ความดีงามทั้งหลายอยู่ตรงนี้เราเป็นผู้รับผลความดีงามที่เกิดจากความสั้งหลวงระวังของเราเราจะไปหาภายนอกภายในไม่มีในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นผิดเป็นถูกเป็นดีเป็นชั่วเป็นสูกเป็นถูกเป็นอยู่ที่ใจของเราพระพุทธเจ้าสอนตรงจุดนี้จุดนี้เป็นมหาเหตุเราะจะขึ้นอย่างนี้ก่อนจากนี้ก่อนภายในนั้น ลวงรางใหญ่ของมันท่านให้ชื่อว่าอาวิชาอาวิชาปัจจญาเนี่ยหนุนนะนะสร้างคาลาเห็นไหมอวิชาปัจยาสร้างคาล า, าวิชาปัจญาบิญญาณังอวิยาปัญญานามรูปังขึ้นอันเดียวนี้ท่านต่อไปนั้นต่อไปอย่างนั้นเหรอเวลาภาคปฏิบัติแล้วเข้าอันเดียวปุกถึงหมดเลยนะอืท่านเรียงลําดับว่าให้สมกับ ศาสตา อ, องค์เอกไม่มีคำว่าบกพร่องบกพร่องเช่นอย่างมารสีพ้นสีนิพพานหนึน่งอันนี้ท่านเลียงลําดับไว้ตาหลักของจริงเวลารู้ไปแล้วนี่สมุนตราสาวกทั้งหลายรู้ถ้ามัแสดงนิพพานหนึ่งไว้นี่จะได้ถูกข้านจากบรรดาสาวกข้างหลายพระพุทธเจา้านนะไม่สงสัยและไอ้ส่วนอันหนึ่งที่นอกจากมารสีพ้นสี่ไปพระองค์ไม่เห็นแสดงเนี่คือออก มรคสี่ผลสี่นี้เป็นสมมูินิพานหนึ่งนั่นบีมูดแล้วทำไมไม่แสดงตรงนั้นความหมายว่างนะพูดถึงถึงนั่นนะนี่ลราที่ว่ารู้จริงเห็นจริงมันรู้อย่างเดียวกันนะั่นผิดกันที่ไหนไม่ผิดนะเราจากให้บรรดาพี่น้องชาวพุทธเราได้มีราค้ำราคาสงกับเราเป็นลูกชาวพุทธเวลานี้มีแต่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับัหา ล้อมหน้าล้อมหลังกิริยาอาการที่แสดงออกว่าไม่แต่ความขาดทุนสูญดอกของตัวเองและกระเทือนคนอื่นให้เสียไปด้วยนี่แหละความไม่มีศาสนาท่านทั้งหลายจำมานศะาสนธรรมคือศาสนาของพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกตรัสลู่ธรรมทั้งหลายกิเลสหมดโดยสิ้นสิ้นเชิงจากว่าไทยนำธรรมมาสอนได้ สอนโรคได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะงั้นถึงเรียกว่าสวัาดรธรรมตราบริชอบแล้วขอให้ก้าวเดินตามนี้ทุกยากลำบากอย่าหลีกทางนี้นะถ้าหลีกไปแล้วตกเหวตกบ่อเข้าฟืนเข้าไฟไปแล้ะใครเจงก็่าจัตาาลูกดื้อด้านต่อพ่อต่อแม่เสียทั้งนั้นนะต้องฟังเสียงพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูมา นี่ศาสตราอุกเอกพ่อแม่ของเราสอนมาให้เป็นประโยชน์แก่พวกเราเราอย่าฝืนท่านทุกจนหนโลกขนาดไหนเอ้อย่าปล่อยความดีงามที่ติดอยู่กับตัวของเรา <c oughs> ผมเองก็ไปนู่นมานี่นะไปที่นั่นไปที่นี่มาทางมีความจำเป็นที่จะได้ไป เราะงั้บรรดาพระเนรทั้งหลายที่ปฏิบัติตัวนี้ให้สมบูรณ์แบบอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาติดแนบกับตนชั้นรวมระ ว, วังในธรรมในวินยัยนี่แหละคืออยู่ที่ไหนมีาศาสดาติดตัวติดตัวแล้วในขณะเดียวกันมรรคผลนิพพานก็ติดตัวไปด้วยนั่นถ้าออกจากนี้แล้วอย่าไปหวงังนะว่าผลนิพพานไม่มีหวังทางนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นลูกดื้อด้าน ฝืนพ่อฝืนแม่จมเท่านั้นข้อวัดปฏิบัติความั่งพร้อมเพียงสามัคคีนี่เป็นธรรมที่สวยงามมันนะึ่งนบอกสามัคคีสามัคค า, านางตะโพสุโ ข, ขความพร้อมเพียงนความสามัคคีนี้ทาให้เกิดสุขถ้าไม่ได้บอกว่าเกิดทุกข์นะดูแต่ธาตุขันธ์ของเราถ้ามันพร้อมเพียงสมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่มีคนมีการไม่ เกยบไข่ได้ป่วยเป็นโรคต่างๆแล้วเรียกว่ากายสามัคคีธาตุเราเนี่ยเป็นสามัคคีกันธาตุสี่ดินน้ำโลมไฟสามัคคีประกอบหน้าที่การงานอะไรก็ได้ผ ล, ไ ด, ผลได้ประโยชน์เต็มกำลังของร่างกายเราถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งมีคนมีการไปเสียนี้งานไม่สมบูรณ์นี่แหละกายแตกสามัคคี อันนึงเจ็บอันนี้ปวดอันนั้นดีก็เลยกลายเป็นเรื่องเลวไปตามกันมีความพร้อมเพียงแห่งพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงชมเชยมากในเรื่องความพร้อมเพียงสามัคคีนี่มีมีมากแต่มากเท่าที่ผ่านมานี้เรื่องความสามัคคีพระองค์ทรงชมเชย <c oughs> แล้วก็มัตตัญญาตตาสตาสาธุความรูท้ทจักประมาณนั้นอ่ะให้รู้มัน ยังประโยชน์ให้เสําเด็จทั้งนั้นทั้งนั้น่พากันตั้งอกตั้งใจอยู่ในวันนี้อย่าไปยุ่งกับงานนั้นงานนี่หาสอดนั่นแทรกนี่ไม่ได้นะงานนี้งานทํางานสอดนั่นแทรกนี่เป็นงานของิเกเรจะทําลายทำทําลายผู้เกี่ยวสอดแทรกกันแหะให้ดูสติติดตัวใครบริกรรมคําไหนติดกับคำบุริกรรมแล้วก็ ทาเป็นสมาธิความสงบสติติดอยู่กับความสงบสงบขั้นใดสติติดแนบติดแนบตลอดนี่ท่านเรียกว่าสวยงามมากอบอุ่นมากกิเลสไม่เกิดผู้มีสติแม้กิเลสจะอยู่ภายในใจสติมีอยู่ครอบหัวมันไว ม, มันก็ไม่เกิดจิเลสเกิดก็คือไฟปืนไฟเกิดนั่นแหละเผาหัวใจเราให้มีสติทุกคนทุกคนเรื่องสตินี่ไม่มีที่จะ จุดจ้างตรงไหนตรงไหนเลยตั้งแต่พื้นพื้นที่เราตั้งประกอบความดีงามของเราแล้วก้าวเข้าสู่ภาวนาตั้งแต่ฝึกหัดอบรมเบื้อ ง, งต้นจนกระทั่งถึงนู้นเลยขึ้นเป็นมหาสติแล้วนั่นมหาปัญญาไปแล้วเพราะได้รับการอบรมตั้งแต่ต้นมาจนถึงขั้นเป็นมหามหาปแปลว่าผู้ใหญ่ผู้โต มหาสติมหาปัญญาข่ากิเลสขาดสะ บ, บั้นเลยถ้าลงมหาสติมหาปัญญานี้ได้เกิดขึ้นแล้วนี่ก็ขอได้รับการบำรุงรักษาตลอดเวลาให้ดูตัวเองนะปัญญาไปคิดตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้ตัวนี้ตัวมันสอดมันสอดมันแทรกเห็นว่าคนนั้นผิดคนนี้พลาดคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นนี่ตัวคึกตัวก้อนร่งคึกตัวคิดอย่างนั้นเนี่ย มันไม่ดีอยู่ในตัวของเราเองเขาดีก็ให้รู้ว่าเขาดีเขาไม่ดีก็ให้รู้ว่าเขาไม่ดีควรแนะนำตักเตือนกันโดยอาโดยธรรมก็ให้เตือนกันแต่อย่าลืมว่าเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งดีหรือไม่ดีอยู่กับเราที่ออกคิดออกไปจำนี้ให้ดีเรื่องความความเพียงสมัครีนี่ถือสาคัญมากเป็นผู้งามทำอะไรทำเพื่อเรานะความความเพียงสมัคีก็เพื่อเรา โดยเฉพาะส่วนตัวก็เพื่อเราคำว่าเราเรานี่คือเรามุ่งต่อความดีงามทั้งหลายการกิิยาความเคลื่อนไหวจึงเพื่อเราทั้งนั้นพากันจดจำไนอะพอดยะถาวาดวะหาภูราปิปูเรติสาคารังเอวะเมวะอิตูทินางเปตานางอุปปัฏิ อิก um ิตังปะฏิสั่งต <c oughs> so, ุงหังทีิปเม่วะสัมมิาตูสาเปภูเรตูสังกปาจานโทปนะระโสยธรามิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัจจานตุสัพปะโรโควินาศตุมาเตปวัตตมานตาราโย สุเยตีฆายุโกภาวะอภิวาทนาสิริชนิสังขุธาปจายิโนจตารโอธรมาวาคาสีอายุวันโนผูกขังภะลังขวะตุสาพมังพลังละขานตุสาเปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สัพปะทมานุภาเวนะสัพปะสังฆาณุภาเวนะสัสททาโสติยะพระวันตุเต ที่แเขาบอกว่าเป็นหนึ่งบาททีนี้มาบอกผมที่หลังเนี่ยเป็นห้าสิบตังค์มันก็ห้าส้าังเยไม่แยเลยที่หรืออะไรหรือไอาจะมาใส่เ่องช่างของเาเครช่างเราเสียครับผมท่านเจ้าเสียแเมื่อวานครับผมเเจาเอามาช่างทำไมมาโกหกป้าก็ป้าเลยของเขาริงของเราปลอมป้าเขาป้า อะไรกันน้องเขาตั้งสิบบาทไปกดน้องเขาลงเท่าไหร่เ ม, มื่อวานนีนะวันนี้ก็จะกดอีกต า, าเขาบาดนุน ล, ลูกจะมาใส่ให้ใหม่เอะลูกจะมาใส่ให้ครบกาเขาไม่ครบอะไรก็เท่าไรก็เท่านั้นแล้ว <c oughs> แล้วครบอะไรเค <c oughs> รื่องมือ เครื่องช่างเราต้อมมันไม่ถูกป้าก็บไอเม่ชียร์เขาบอกว่าหนึ่งบาทครับผม ท, ทีนี้เขามาบอกใหม่บอกว่าเป็น50าสิบดงไม่ถึงบาทแล้วจะมาเติมให้เต็มบาทเดี๋ยวไม่ต้องช่างเชือมีเทไร่เราก็เาทงน้าชงมาเติมนะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็นนดีแล้ว เรื่อ2สองโมงอเองนึ่ของไอเดีงอขง อ, ข ง, ไอขงไอเคของเก่งลูกไอหมออึกนี่นอตาวาวนอนเทีท่ยเช้าเขาทุกที่ส่วนอุ่ให้กับข้อชานชายพัน์นนนทองทาน้ำหนักสามบาทเงินไทยสองหมื่นหกร้อยบาท แม่เที่ยงเทีพันแม่ครอบครัวผู้ถวา ย, อยาอไอ้ขานี่ไม่ทราบเป็นยังไงมันไม่ได้ลดอะไรนักหนา้นี่เขาก็ขาอ่อนแล้วก็บวมหลังเท้าบวมไม่ปรากฏว่าลดลงอะไรอะไร หมอแผนปัจจุบันเขาจะว่าไขาว่าไงก็ออหมอแผนปัจจุบันตายแล้วครับนะไตไไม่แข็งแรงหมอว่าไตอย่เลือด ล, ลมเออนี่ก็ ว, ว, ว่าตารวจไตแล้วก็ว่าไตปกติแล้วตรวจวหมอจินก็บอกใตไม่ดีรักษา การเรียบร้อยอพอพ่อมาตรวจเท้าหลังนี่ว่าตดีแล้วแล้วระยะเดียวกันก็ตรวจที่ถีและกระดินงะตายดีใจปกติกับครั้งนี้บอกว่าหายแล้วถนะึงจะเข้ากันได้ไอเจ็บเขากับนี่มันมันมยังไม่มาอยูน้อนะมึงทราบเป็นไง พรไม่มีกำลังไอ้อรยาคุชากีนก็ฉันตามกำหนดนี้นะเหรเนบันฉันเล่นวันะฉันเล่นวันรอยู่วันละห้าหุนบังนก็ถ้าทั้งจัดแล้วทั้งทั้งก็หยุดแล้วก็รู้ไม่อาเคีนเลย คือพ อ, อฉันอย่างนั้นเสร็จแล้วแล้วเราฉันน้ำแล้วฉันพอดีเ <c oughs> พราะหลังจากนี้ไปแล้วไปฉันน้าไมนะ่ได้ละพอฉันน้าลงไปเลยมันจะทําให้ให้จามให้อะไรน้ำมูกมันไหลออกมานี่แหละหลังจากฉันน้าแล้วนะ เดี๋ยวก็มาตามจากต า, ามมุขของอาเกียนติม <c oughs> ีพอเขา้าใจอย่างนั้นแล้วหลังจากทหารเรียบร้อยแล้วไม่ฉันไม่ฉันน้อยากก็ไม่ฉันจกนกระทั่งบ่ายเป็นนุนท่าจะฉันฉันก็ฉันอยู่ในความระมัดระวงังไม่ฉันมากแล้วก็กั้งวันมาก็จะไม่เห็นอาเจียนติเงียบเงียบ ไม่อาจเปลี่ยนพิมพ์ไทยนะหนังือพิมพ์ไทยเอาว่าว่าี่พิมพ์ไทยว่าอะไรเรื่องโรกเรื่องโกกิดโวิีจากหนังสือพิมพ์ไทยประจำวันจันทร์ที่28มิถุนายนขอล่ามวิจารณ์รมหัวข้อในหนึ่งคนเรามองได้หลายแง่มุมครับ หมาว่าไว้เช้าวันนี้ผมยังคงน้าผมยังคงทําหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนภาพให้สังคมเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพหนังสือพิมพ์เนี่ยเข้าเข้าเหมือนกระจกส่องให้คนอ่านเมายว่าไปเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพให้สังคมได้เห็นอีกเช่นเคย <c oughs> ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการ น, นําเสนอเรื่องราวทางหน้าหน้านี้ของผมมักจะเป็น การจะท้อนภาพมากกว่าจะนําความเห็นตัวตัวมาฟันธงการจะท้อนภาพบุคคลที่เอ่ยนามถึงในหน้านี้จําต้องจะท้อนให้เห็นในหลายแง่มุมเพื่อให้ท่านผู้ชมจะได้เห็นมุมมองต่างๆอย่างหลากหลายจากหลากหลายมิติ <c oughs> คนหนึ่งย่อมมีทั้งแง่ดีและแงเ่เลวไม่มีใครดีพร้อมไปหมกทุกด้านสุดแต่เราจะจับ มุมมองด้านไหนของเขาถ้าด้วยความชอบธรรมแล้วเพื่อความเป็นธรรมจริงๆแล้วผู้มีหน้าที่ตะทอนภาพจึงควรนำเสนอมุมมองของบุคคลในหลายแงยม่มุมส่วนจะผิดหรือถูกจะดีหรือจะเลวอย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมเท่านั้นที่จะพิจารณาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกิจาการพระพู้ศาสนาเห็นจะต้องเอ่ยถึงชื่อพลตำรวจโทอุดมเจริญ เพราะท่านผู้นี้มีบทบาทหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับความเจริญหรือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาอันเป็นที่รักรบูชายิ่งของพวกเราชาวชาพุทธถ้าจะมองถึงจิตสํานึกที่มีต่อพระพุทธศาสนาของพลตารวจโทดมเจริญแล้วก็ต้องขอยกย่องว่าท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีจิตสํานึกดีดังจะเห็นได้จากกรณีดรวิษณุเครืองามมีวัตถุประสงค์ให้จัดตั้ง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์การมหาชนเพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงและเจริญงอกงามหลังจากได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาขึ้นมาคณะหนึ่งแล้วปรากฏว่าได้มีการยกล่างกฎหมายให้โอนทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาไปเป็นกรมรมติดของ องค์การมหาปเลยนั้นร่างกฎหมายในแต่ละข้อแต่ละมาตราล้วนจะเขียนเพื่อประโยชน์ของคณะบุคคลกลุ่มนี้ทั้งสิ้นไม่มีข้อไหนที่จะเขียนให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา <c oughs> เมื่อผมได้ทำหน้าที่จะท้อนภาคค่อนข้างจะรุนแรงแบบตรงไปตรงมาแล้วคลตำรวจทออุดมเจริญในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธา น, นาาคณะกรรมการก็รับฟังด้วยดี พร้อมกับออกไมาข่าวเพื่อความเข้าใจอันดีต่อชาวพุทธทั้งหลายว่าขอให้พุทธบริจาคมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานเรื่องนี้ต้องมีการเปิดเผยในวงเล็บแต่ยังไม่มีการเปิดเผยเหมือนจะพูดลมปากเฉยๆลครับลมปากเราพวกนี้หวานมากพวกเนื้อ <c oughs> พวกเนื้อพวกหวานมากสองกระชากนี่หวานมากสุดเดียว <c oughs> กับชาวไทยเราแทบไม่เหลือเข้าความหวานมากของเตะสามตัวนี่พูดมันโก ง, งเราฟังชุกแน่ซุกนุมต่อนะครับ <Yeah. S 2> เรื่องนี้ต้องมีการเปิดเผย อ, อย่างโปร่งใสติดตามตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและมีการประสานเป็นระยะระยะจากนั้นคณะดำเนินการยกร่างพระราชกิษฎีกาจัดตั้งสานักงานทรัพสิน ก็ล้มล่างเก่าพร้อมกับยกร่างขึ้นมาใหม่เปลี่ยนชื่อสำนักงานใหม่จะก็รู้ว่าสำนักงานส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาแบบมูลนิิองค์การมหาชน mm hmm. ผมได้ทำหน้าที่ตรวจสอบ mm hmm. ล่างฉบับใหม่และฉายภาพออกสู่สายตาท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งล่างฉบับนี้ถึงน่้จะตัดข้อความการโอนทับสินของพระพุทธศาสนา ให้เป็นของสำนักงานออกทั้งหมดแล้วแต่เนื้อหาอใจความที่เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ยังเน้นให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คณะบุคคลแก่คณะบุคคลกลุ่มนี้อีกนั่นแหละอะไรอะไรก็กลุ่มบุคคลคณะนี้ทั้งนั้นจะเอาทรัพย์ของสงไปจัดประโยชน์เพื่อพวกพ้องของมันคันผมฉายแววซาม ออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบท่านพลตํารวจโทอุดมก็ออกมาให้ข่าวว่าเลิกแล้วจบแล้วเรื่องนี้จะไม่มีการจัดตั้งเจา้าหน้าที่จับตินของพระผู้าศาสนาอีกต่อไปครับต้องขอแสดงควารรมชื่นชมยกย่องและสรรเสริญต่อจิตสํานึกที่ดีของพลตารวจโทอุดมจเจริญไว้ณที่นี้ผมขอสะท้อนภาพที่ดีอีกแง่มุมมองหนึ่งสู่สายตาของสังคม มุมมองที่ดีไม่ใช่เพียงเท่านี้การเดินทางไปเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขาบูชาวันสําคัญสากลของโลกณสนะำนักงานใหญ่องค์การตทหารประชาชาติมหานครนิวยอร์กส า, ารักฐอเมริกาที่มีพลนรโทบุดมนำทีมก็ออกประสบความสาเร็จ อ, อย่างยดงาี่ยมนอกจากจะสาเร็จจากการจัดงานระดับโลกแล้วพลนรโทบูดมยังได้เสนอแนวติดต่อที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ พระธรรมทูตสายแต่ประเทศในแต่หาฮอัฐอเมริกาว่าควรจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาไปประจําอยู่ในสถานทูตไทยในแต่หาฮอัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆที่มีพระธรรมทูตไทยเดินทางเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจทั้งนี้ก็เพื่อถวายความสะดวกแก่พระธรรมทูตในการประสานกับหน่วยงานของประเทศนั้นๆซึ่งเรื่องนี้จะนําเสนอต่อมหาเถรัสมาคมและรัฐบาล เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้มองคนด้วยธรรมนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมมองคนด้วยธรรมนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมนนะหนูแก้วจบครับนี่ข่าวสดครับมาส ด, ส ด, ส ด, สดประจามาที่7มิถุนายน หัวข้องัดตาประทับสมเด็จพระสังฆราชสิทหลวงตาบัวลูกไล่สมเด็จเกี่ยวขอว่าไหมหลวงตาอะไ ร, ะไรงัดตาประทับสมเด็จพระสังฆราชสิทธิหลวงตาบัวลูกไล่สมเด็จเกี่ยว <S <S <S การทํางานในตําแหน่งผู้ดูแหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจา ร, รย์เกี่ยวติบเสโนโจะครบเทอมในวันที่3กรกฎาคม2547นี้แม้ว่าที่ผ่านมา พระเดชพระคุณมิได้บกพ้องในการบฏบัติหน้าที่ดังกล่าวแต่กลุ่มของนายทองก้อนบนขมุตและกับพระอาจารย์นพดล น, นันทนแห่งวัดป่าดอยรับงาจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นติดของหลวงตามหาบัวยานัฐปนโนตามกดดันตลอดด้วยสารพัดขอ้ออ้างล่าสุดเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาแกนนำได้เกณพระป่า5 8 7ิลูก ไปยื่นหนังสือคัดค้านถึงวัดสเกตด้วยการกล่าวอ้างว่าสมเด็จพระพุทธ า, ารย์นำตาประทับสมเด็จพระสังฆราชไปใช้แม้นพระธรรมจิตที่เวทีและพระราชธรรมสานพระเลขาได้ออกมารับหนังสือแทนแต่แกนําหาพอใจไม่กับพากันรวมกันมายื่นหนังสือที่ประชุมมหาเทรสมาคมณวัดบวรนิเวศจุดประสงค์เพื่อให้ดําเนินการตามทิฐิ ความเชื่อของกลุ่มและพรรคพวกของตนโดยนางบุญสีภาณกิจรองผู้อำนวย ก, การสำนักงานพุทธและนางจุลาลัตบุญากรผู้อำนวย ก, การเลขขาธิการมหาศิรัิธรรมคมได้ออกมารับหนังสือแทนอย่างไรก็ตาม <c oughs> นายสมชายสุรชาติโคโตกสำนักงานพุทธพร้อมด้วยนายอำนาจดัวสิรินายกะหนกแสนประเสริฐ ผู้บริหารตรว ง, ง, งานพุทธเด้ออกมาแถลงข่าวว่าตามหลักฐที่กลุ่มนายทงก้นินเรียกร้องนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับมหาเทวสมาคมแต่อย่างใดเรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัตินหน้าที่ผลิตจตุรัสาดนั้นรัฐบาลเป็นผู้เสนอมาสำนักพุทธจะนาเสน อ, สนอนรัฐบาลรัฐบาลจะเป็นใครกับพวกเปตเนี่ยเราหน้ารัฐบาลมาขายทีนี่สพวกเปอยู่ในอะไรฝังอยู่ในรัฐ บ, บาล น, นั่นเมี่ยกัวเปรใหญ่อยูอย่ในนี รัฐบาลรัฐบาลรัฐแบงรัฐแบงอะไรก็ไม่รู้เลยหวังว่าไป ร, รัฐบาล เ, เป็นผู้เสนอมาสำ <c oughs> นักงานพุทธจะนําเสนอรัฐบาลส่วนที่ประชุมหมหาเถรสมาคมจะไม่พิจารณาเรื่องนี้ส่วนเรื่องการใช้ตาประทับนั้นได้ทําถูกต้องตามหน้าที่แล้วจากนั้นพระอาจารย์น พ, พดลแกนนำ ไ, ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่6ถ้าอย่าปัง ถ้าถูกต้องก็ยกเลิกทั้งหมดที่ก่อเรื่องขึ้นมาเผาชาติเผาศาสานาอยู่เวลานี้เพราะพวกนี้เองยกเลิกนี่แล้วทางนี้ก็เลิกถ้ามาอยู่เลิกก็ฟัดกันไปอย่างนี้แหละศาสนามีเจ้าของคนทั่วประเทศไทยไอ้ะอะก็มาคุณตรังก้อนคุณตรังก้อนคนคุณตรังก้อนในนามของคนตั้งชาติว่าไงมันมาหาจโอมตีโยมตีจุดสําคัญแล้กันแล้วก็หลวงตาบัวหลวงตาบัวหลวงตาบัวก็เป็นสมบัติของคนตั้งชาติ เป็นอาจารย์สอนคนก็ได้รูปเป็นลูกฉีดคนก็ได้นี่มันหาจะเรื่องอย่างนั้นมันฟังไม่ได้นะเราฟังอยู่เนี่คนหนึ่งฟังเป็นธรรมคนหนึ่งมีจะอ้อมนั่นแอมนี่แอมนี่แล้วก็ยกเกียร์เจ้าของขึ้นเกียรขี่มาอะไรก็ไม่รู้แหละฟังมันี่มันฟังไม่ได้พวกมี้พวกเปรตบ้างโกงๆอย่างนี้ล่ะเอาถ้าเวลาบว บ, บ, บพูดผิดเอาไปตัดคอเลยตั <c> ้ <oughs> งเกจตะกอนจันทนาน้สงบร่มเย็นมาโดยลําดับลําดับแต่พวกนี้มันเข้ามาเลยคำนัก ง, งาน พุทธศาสนามันสำนักงานเปรตมากินจากินบอดพุทธศาสนาในเรื่องจึงยุ่งขึ้นอยู่ในนี่นะพวกนี้ไม่ใทยอะไรพวกตามท่าล่างนะพวกนั้นพวกสร้างซองความโศกกระโ b o r ทยพุทธศาสนาแล้วก็ล่ามก็ไปหาท่าไทยด้วยนั่นว่ากันไปอย่างนี้แหละมีแคุณน้องก้อนหอวงตะบวัวรือคนทั้งประเทศไทยไม่มีเลอมันยกขึ้นมาหาอะไรมันก็เพื่อเขาโจมตีหลงตะบวัวคุณน้องก้อนแล้วจะได้กืนได้ไง่ายๆพวกเปรตปากกว้างเนี่ย ข้องใ ห, ใหญ่ๆเนี่ยกินไม่หยุดไม่ถอยปิ้นป้อนหลอกลวงท่านนั้นทานนี้คนฟังคนมันสมัยจะฟังไม่เข้าใจมันเข้าใจทางนั้นแ่ะนอกจากไม่พูดเรื่องนั้นและเรื่องนี้เอาว่าไปที่นี่จากนั้นพระอาจารย์พด้ประดุลแกนนำได้ออกแถลงการว่าวันที่ห ก, กกรกฎาคม น, นี้ จทั้งอาจารย์นอบดนก็เป็นในนามของพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยครับทินทองก็อนในนามของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศหลวงตาบัวก็ในนามของชาวพุทธชาวไทยทั้งประเทศนี่ที่ตามชาล้างความสกปรกของพวกเปรตพวกผีที่ลางไว้หมดแล้วไฟเผาไปตามด้วยเอาว่าไปจะนําม็อบพระตาหนึ่งหมื่ลูกและญาติโยมอีกหนึ่งหมื่คนมาพร้อมนํำลายชื่อ 1> 1, 50, นั่ น, ท, นที่ฟังพรัชราพรจเจอะไรอย่างนี้มันไปยุ่งทําไมของสมเด็จพระสังฆราชแท้ใครก็รู้กันทั่วแผ่นดินมันไปหาแย่งอะไรมานี่ที่ที่ได้ว่ากันอยู่นี้เนี่ยมันไม่อยู่เป็นสุความโลภมันมากถ้าหัวโล้นเนี่ยความโลภมากที่สุดคือสมัยนี้อลัชชีขึ้นในสมัยนี้แหละเดี๋ยวนี้กําลังอลัชชีขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะเต็มไปหมดแล้วะ นี่ใครก็รู้อยู่แล้วตาสมเด็จสังการาชเป็นสมบัติของพระองค์แต่พระองค์เดียวเท่านั้นไปยุ่งทําไมเมือ่อเราว่าอย่างนี้มันก็หาเรื่องใส่เราอย่างนั้นอย่างนี้พวกเฟดมันจะยุ่งจะเกินอยู่ตลอดไปอย่างนี้แหละตาสมเด็จสังกาาัลลาใครก็รู้ทั้งแผ่นดินพระบาทสเดพระเจ้าหัวประทานทุกสิ่งทุกอย่างเขวายท่านเรียบร้อยแล้วท่านเป็นทรงการาณ โดยสมบูรณ์นี่ก็พวกสังฆราชปลอมนี่มันกําลังแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาตีการั้นต์กานี่อยากเป็นเหลือเกินอยากเป็นสมเด็จสังฆราชหมาตัวใดมันก็ไม่ก่ำต้องลุงคนก็ไม่กาบแล้วหมาตัวนี้จะมากร่ำมาเป็นขึ้นมาร้อยองค์ก็มีใครกาำสังฆราชแบบนี้นะไม่เคยมีในประเทศไทยสังฆราชแบบโลภมากที่สุดเลยละโมบโลภมากตะกะตะการไม่มีเคยขายเกินพวกสังฆราชเหล่านี้นะเดี๋ยวนี้ แ, นะ ย, แย่ง ราตำแหน่งแย่งสังกาชเอาไปจิ้นโต้กั น, กนเวลาที้พวกไหนข้าไม่ใช่พวกนี้เป็นพวกไหนให้เกิดเรื่องอยู่เวลานี่พวกนี้แย่งคืนสมบัติของท่านอย่าไปความหมายก็ว่าอย่างกันยุ่งหาอะไรเอาบ้าไปถามผมมันหน้าด้านที่สุดนะพวกนี้ด้านเกินประมาณภาษาุมยนนี่อยู่มันทาไมไม่เอามาใชา้ มโนภาษายากภาษาผีภาษาเปรตที่ไหนมาใช้ให้ปวนบ้านปวนดเมืองปวดศาสนาอยู่เวลานี้มีแต่พวกนี้แหละพวกที่ว่าลิ้นแหลมคมแหลมคมคมไปก็คมถนัดลิ้นโขนหัวใจโขนมันฟังกระดอกเท่านั้นแหละ ว, ว่าสาวไปครับ <c oughs> จะนําม็อบพระป่าหนึ่งหมื่นูปและญาติโยม อ, อีกหนึ่งหมื่คนพร้อมนำรายชื่อหนึ0 0แชื่อไปยื่นหนังสือที่ทาเียบรัฐบาลเพื่อให้กดได้วิทินุเกลืองาม และให้ขอถอนกรรมนัตรถักสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ด้วยด้านนั้นก็กล่าวว่าจะฟ้องร้องศาลตามมาตรา253ป่าดิการใช้ตาสัญลักษณ์ของบุคคลอื่นมาใช้ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนไม่ต้องว่าหน้าออกมาเลยถ้าเป็นนากรอบอยาวาหน้าอย่างนั้นหน้าอย่างนี้ อ, ออกมาเลยบกมือใส่กันเลยมันโซกโปกขนาดไหนมันยังมาอวดดีอะไรอีกเนี่ยเขาไปเรียกร้องขึ้นมาเขาไป หาที่เกาะที่ยืดที่นัดนะเพราะพวกนี้พวกกินตับกินปอดคนเขาก็เข้าหาจุดใหญ่เข้ามาหาในวงรัฐบาลมีนายกนักดนตรีเป็นประธานของคนทั้งชาตินี่ผิดไปไหนพวกนี้เขาไปไปกันหมดทั้งประเทศไทยไปได้ไม่ผิดเพราะถูกแย่งที่พวกมหาชนต้นบ้านต้นเมืองต้นศาสนาเวลาเนี้ยเราเป็นเจ้าของสมบัติเราต้องเอากันทีที เอาว่าไปทิ้งถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนมันก่อให้เกิดอะไรมันตัวหัวมันเองก็ก่อความเสียหายพวกนี้เสียหายอะไรไปช้าล่าน่างหากยืดกรรมสิทธิ์มาให้ท่านผู้เป็นเจ้าของคืนต่างหากนี่นะพวกนี้มันเป็นแบบนี้มันทําให้เสียหายเนอพวกที่เอาตามาใช้ทําให้เสียหายเนี่ยพวกเราว่าเ่าเขาเเขอเราว่าเขา เดี๋ยวว่าเขามันทำมันทำมันเสียหายมันก็ต้องเสียหายที่มีโทษจำคุกเจปีปรับสี่หมืนบาทเขาละครับที่เอามาใช้นี่ครับโทษเอาตามาใช้นี่ครับโทษจำคุก7ปีปรับ4ี่0 0ื่นบาทเขาเขาฟ้องร้องไปใช่ไหนเขาจะเขาก็ฟ้องร้องเป็นธรรมของเขาเรื่องนี้นะกฎหมายมีนี่ว่าไปเราจะตามฟังอย่างไรก็ตามมีผู้ตั้งคอสังเกตว่าที่กล่าวที่กล่าวอ้างของกลุ่มนายท้ก้อนว่าเป็นคณะสงไทยนั้น เป็นพระคณะธรรมยุทตเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นกลุ่มหนึ่งเท่านั้นในคณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์ไทยอย่ามาหาหลอกคณะสงฆ์ไทยเดี๋ยวให้จบแล้วเอ้าว่าไปไปย่ีย่ีตะหเอ้ว่าไปเดี๋ยวตีให้ตนับเลยนะครับเพียงเอ้าว่าไปเป็นพระธรรมยุทตเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นซึ่งพระเถระเช้นปกครองมิได้รับรู้และเคยห้ามออกมาเคลื่อนไหวแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกราการกล่าวอ้างว่าเป็นคณะสงฆ์ไทยนั้นไม่ถูกต้องเพราะ คณะสงฆ์ไทยหมายถึงพระทั่วประเทศจํานวนส 0,000 นกว่าลูกอีกทั้งพระที่คณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์ไทยผู้รักษาสมบัติไม่เรียกคณะสงฆ์เปรตหรืคณะเปรตเหล่านี้นะเข้าใจไหมไม่ได้เอาเข้าคณะสงฆ์ไทยพวกไปเป็นเปรตพวกพระสงฆ์ไทยที่รักษาสมบัตินี่เรียกคณะสงฆ์ไทยที่แยกกองอย่างนี้เข้าใจไหมเขาจะไปรวมสาม0 0นทั้งหมดเขาจะไปรวมพระทั้งหมดพระธรรมจุติทั้งหมดสา 0,000 กว่าลูกเราจะให้นับรวมเขาว่าของ ที่เรียกร้องเนี่ยเป็นคณะคณะใ น, น, นเล็กๆให้เขาไปเยียบกร้องมาเอาเอามาชนะพวกน <ฮะ S 2> เนี้ยเนี่ยเจ้าของสมบัติ <ฮะ S 2> กําลังออกอยู่เวลาเนี่ไอ้พวกนั้นไอ้อ้างกันมาล้านล้านก็นมาเถอเหมือนทารบัตดปลอมอ้างมาเป็นล้านล้านถนัดกว่าไม่มีความหมายเลยทั้งนาบัตรจริงเพียงใบเดียวฉะนั้นพอแล้วอันนี้ไม่ต้องขอไม่ต้องมากอะไรคณะสองไทยที่เป็นผู้รักษาสมบัตินี่คือคณะสองไทยนอกนั้นปะทั้งนั้น ไม่หรอกไม่รับรองอว่าไป<ะ>มันหาเรื่องอยู่ตลอดอ ะ, ะพวกนี้่บอกคณะสงฆ์ไทยหมายถึงพระทั่วประเทศจํานวนสามแสนกว่ารูเวลามันเจี่ยวไปนั้นอะเจียวนั่นเจี่ยวนี่มันรู้ตับมันอยู่แล้วนี่ยมันออกมาแบบไหนนะทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าฉลาดขนาดไหนสอนโลกอย่านี้ทำไมพระสงฆ์ไทยจะไม่มีความฉลาดตามพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามาตลอดเวลานี่ มันแต่งจะมันพวกเปรตนี่เหรอือฮหาเรื่องนั่นหาเรื่องนี่เอามีอะไรแล้วก็ อ, อยากฟัง น, นานละไมบ่อยฮะเขาบอกว่าเป็นพระที่เป็นพระวัยรุ่นเจ๊ส่วนใหญ่อืเป็นพระวัยรุ่นวัยรุ่ น, นอะไรหลวงตาบัวอายุเก้าเทปีนี่หรือไงหรือมั น, นหนลับตามาพูดอะไรมันหลับตามาพูดอะไรหลวงตาบัวอายุเก้าเทปนีนี่นี่หรือวัยรุ่นนะ่ะเฮะมันหาเรื่องอะไรมันหลอกลวงประชาชนเขาทาไม พระสงฆ์เหล่านี้เป็นในนามพระสงฆ์ไทยที่ปฏิบัติรีปฏิบัติชาติตามนั้นไม่ว่าวัยรุ่นไวัยไหนถูกต้องใบห้าเป็นใบถนัดถนัดจริงใบห้าเป็นใบห้าเต็มตัวสิบเป็นสิบร้อยเป็นร้อยพันเป็นพัน1000เต็มตัวเต็มตัวไม่มีวัยนั่นใบนีเลยนะเขาใหญ่เหลือ <ทะ S 2> ม, มันจริงด้วยกันใบห้าจริงห้าเต็มห้าใบสิเต็มสิบใบร้อยเต็มร้อยใบพันเต็มพันเต็มมาตลอดพระสงฆ์ไทยไม่ว่าไวัยไหน เป็นธนาบัตรจริงทั้งนั้นน่ะเพราะเอาคําสอนของผู้เจ้าออกมายันเอาไว้เนี่ยพวกนี้มันจะใบล้านก็าตามมันเปรยทั้งนั้นนะว่างแล้วไม่ใช่ว่ามันปลอมเปรยทั้งนั้นนะว่างั้นเลยค <c oughs> ิดดูที่หลวงตาบัวาอายุเก้าสิบเอ็ปีมันยังมาว่าวัยรุ่นได้ลงพอนกูเป็นปู่ของมันมันยังไม่รู่นอีเพราะมันยังเมากูมาประมาทกลัววัยรุ่นอยู่ว่าหเนอะเขาว่า ว่าตักเป็นยัน้องแก้เรื่องนี้มาเลยเนี่ยต่อนะครับว่าเป็นพระวัยรุ่นเด็กตัวใหญ่การศึกษาเรื่องธรรมวินัยแล้วกฎหมายสงนั้นยังไม่ลึกซึ้งนักไม่ลึกซึ้งแล้วพวกนี้ไม่ลึกซึ้งอ่ะ เ, เ, เขาว่าพ ว, พวกเราเพวกนั้นเขาลึกซึ้งมากนนให้บอกเขาจะพวกนี้พวกลึกซึ้งนะว่ า, าไปลึกซึ้งในเหนียวในถัวแล้วครับอ หรือซึง่งมากเซลฟงเนี่ยที่สําคัญไม่ได้สนองเจตนาอารมณ์ของ้นเก้าราชการที่ตีซึ่งก่อตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมาเพื่อให้พระธรรมยุทธ์แขงพระธระ ร, ร, รมวินัยก็ใครไม่แข้งพระธรรมวินัยเอาพระธรรมวินัยมาจันอยู่เดี๋ยวนี้<ช>พวกนี้ไม่มีธรรมไม่มีวินัยนั้นเองถึงนี้ออมาช้าล่างกันอยู่เวล า, านี้นะครับพวกเประนี้นะครับมันมีธรรมมีวินัยอะไรมีจะเป็นบ้ากับยศกับลาภเลยนะ อยากได้อยากร่ําอยากรวยอยากเปานนั่นเป็นบ้าอํานาจอยู่นี่นี้หมดนะเวลาเนี้บ้าอํานาจตะกตกาไม่มีอะไรเกินพวกนี้นะมันเมื่อไรมันจะจบเนี่ยอ่านนี่วะเด็ดเด็ดเดี๋ยวมีมีให้หลวงตาได้ชำระอีกมีมีวิจารุออกออกมาอีกในวิจารุเครืองามลองนายกกล่าวว่าการชิตาประทับในสมเด็จสังกราชจะถูกต้องหรือไม่ ต้องย้อนไปดูว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่สมเด็จสังกราชโดยชอบหรือไม่มันจะชอบอะไระนเนพเาะเปรบแย่งกินตําแหน่งท่านกินโต๊ะกันนี่มันเอาอะไรมาชอบเด็กก็ไม่ว่าชอบแหละเหมันจะว่าสผู้ใหญ่แม่ว่าชอบเด็กเขาก็ไม่เห็นด้วยนะเจอมแล้ ว, ล ว, ลวยังชี้จีบฟังเลยนะชอบกระโปง เ, เอาเด็กๆ น, นะครับแล้แค่นั้นแหละพ อ, อพูดเยอะมากเบื่อจริงๆนะ มันไม่มีความจริงมาพูดเดี๋ยวปิ้งก้อนนั้นจิ้งก้อนนี่ฟังมันฟังไม่ได้นะไม่ละท่านะะะอะไรนะมีอะไรอยู่เด้วิวนุก็บอกอบว่าว่ากันไปวิทณนุก็บอกนี้ครับเขาเป็นคนพูดนะวิทนุเครืองามผมจึงข้อนข้างแปกใจที่มีพระเนนไปประท้วงที่วัดสเกตทั้งที่ไม่สมควรไปประท้วง สมควรอย่างยิ่งไอ้ที่มันไม่ออกมาต้อนร่าปรมมันมอบอยู่ในมุมเสามุมไหนนั่นแหละแปลกอย่างยิ่งพวกนี้ เ, เข้าใจเหรื อ, อนั่นแหละพวกที่แปลกเป็นสมเด็จที่แช่โดดเข้าไปอยู่ในมุมเสาให้พวกนี้ออกไปยืนออ ก, กันอยู่หน้านั้นเลยไม่ได้เรื่องต้องกลับมาขายขนาดไหนเฮ้อพวกนี้เข้าไปตั้งหน้าที่จะไปเอาเหตุเอาผลมันหลบซ่อนเข้าไปอยู่นั่น อยู่ในมุงเสาไม่ออกมาต้อนรับเลยใครเก่งใครดีเอาังทีนะมันมาหาปิ่นก่้อนหาอะไรเอาละก็ต ร, ตรงนี้ก็เขาเ่ า, าว่ายวาาให้หลวงตาาะละระเลยครับเาขาบอก <มา S 2> ดูเหมือนการเคลื่อนไหวทุกครั้งจะพุ่งเป้าไปที่การคัดค้านสมเด็จพระพุทธาจรรย์ในทุกเรื่องแต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นนี้พุทธศาสนกชนตลอดจนพระสงค์ส่วนใหญ่กาลังจับตามองดูอยู่ว่า เป็นไปเพื่อบกป้องพระธรรมีในหรือไม่นั่นที่จับตาดูใครล่ะไม่ใช่จับตาดูพวกเปรตนี่นะอืมที่เข้าไปเท่าไรก็ไปดูพวกเปรตนี่แหละมันจะมาจับตาดูใครมันมาอวดดีหรือมาหาโจรคุณลองให้ให้มาจับตาดูพระสงฆ์วัยรุ่นเถอะวัยไหนก็วัยไหนเถอะนะเข้าใจเหรือไม่น่าเบื่อแล้วเกินน่ะพวกนี้พวกปิ้นต้อนที มีก็เลยเอาเข้าเลยจะว่าไงมีหมื่นมีแสนเข้าพวกเราเขามีร้านให้เขาเข้ามาเอามาประจันบาลกันที่ให้ปีนไส่สุ่มก็กกลูกกันเองพวกปีนป้อนแหมก็ความเดืดอดร้อนวุ่นวายมาตลอด <c oughs> นี่เขาก็เราเขาคุ้ยแล้วเขียมล่องทะเลทำมาทํางานพุทธศาสนาอะไรมันมาสังหารพุทธศาสนาสังหารคนดีกว่าที่ไม่มีเหลือเราได้ถามไปแล้วนะ แต่โน้ตก็กำลังพิจารนาแล้วก็ฟังไปพูดอย่างสนุกตปลาเฉยมันชกกระโปรไม่อยากฟังละเอาละนะไห้พรครับผมให้ให้พรมาค่ะะูชอบที่พระแมพิจารณาพรมงคลจักรวาลน้อยค่ะมงคณจักรวาลน้อยนะคะเร้ยว่าไงเอาสืบไปหเองก็ได้คืนต้นใหม่คืนต้อนใหม่ หนูชอบที่พราเปษนิจาร์าห่อรมงคลจักรวาล น, น้อยค่ะเาไพล็อกมากะหนูขออัญเชิญบุคคลรวสายลิขิตาึกคุณพุทเ จ, าจา้าจากวบรวมสายลิขาตขาพนมในท่อสุดท้ายนะคะที่บอกว่าสตัวัตสาจะอายุจากชีวะสิทธีเราวันสุเด็ดแล้วเป็นบังอะไรล่ะวย อาจารย์วัชาตกลงครับผู้ كر, ่อดาารย์วัชารก็อยู่รลยปีนี่ไงเด้ออันนี้บอกว่าลร้อปร์้ได้รว่าเราอยู่ไปพันปีจะว่าไงก็้รนเราเพิ่งเป็นใบนุ่นนี่นะร้อ เอาวางแล้วมันพึ่งเป็นไม่รุ่นเนี่ยเราจะอยู่ไปพันปีเป็นยังไ ง, งบ่า ง, งเอาวางไปฮะเอาวา ง, วงอุย้ยเล่นกับเป็ดกับผีไม่มีเรื่องทำเรื่องไม่ได้พวกนี้หมดโดยสิ้นเชิง พระหโโโัวร้อนร้อนมันกลับพวกนี้เข้าพวกเดียวกันแบบเศษมนุษย์ว่างั้นหลยเอาทำมี่นายออกยันภาษามนุษย์พูดออกมาอะไรเข้าภาษามนุษย์ได้อะไรเข้าไม่ได้มันลูกกันหมดมันมหาเล่หาเหลี่ยม ห, หาอะไรมันเป็นมหาโจนมันยังมาตั้งตัวเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของคนทั้งประเทศอยู่เหลืออยากถามว่างั้นเยอัม อ๋อเข้าไปพวกเราจะเ ข, าข้าไปทลายไปยเป็นหมื่นเป็นแสนเข้าไปเลยเราเป็นเจ้าของสมบัติเข้าได้ไม่ผิดนะไม่ผิดทั้งธรรมไม่ผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองใครอยากว่าอะไรเ็ว่าไปปากมันต่างเรื่องของเราเราทําเรื่องของเราเนี่ยมีอะไรอีกมีอะไรอีมีก็ดีเออถ้ามีปัญหาครับมีอะไรว่าะมา ตอนนี้ตอนนู้ว่าวันน้ลูรู้สึกยังไงก่น อ, อันนี้เป็นปธรรมดาแล้วลูอยู่ขับตัวบูรห ล, ดลุดผ้าหลุดละแล้วก็หลังจากนี้ล้งดับล้งดับความรู้สึทไทยไว้ได้นะไทยแล้วก็ยางนี้หลังจากนี้อากาศตองจิตเกิ ด, ดการอากาศสองจิตเกิ ด, ดแล้วก็ดบับยวก็เกิดดแต่ว่านู้ดิจารณนแล้ว ใจฟังจริงแล้วก <first> ็ล <l uk. S 1> ra ูกเข้าใจด้วยจิตกับอาการฟังจิตก็อะไอย่างต่างกันนุ่งไม่ไม่สนใจแล้วอันอะไหไม่จริงนลูกไม่สนใจแล้วก็ลังจากนี่ดุยูกกับครกตัวผู้ตลอดแล้วก็นุ่งเห็นมันเห็นสนามสัตว์นั่งเห็นสนามแล้วก็หยอกอันนี้แหละฟังจิงอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเคลื่อไม่เคยยาก ไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีอะไรเลยเงียบตลอดเราก็นึกเอออันนี้มันนู่ดเจอแล้วแฮนแล้วแต่ว่าพืชไม่หมดยังไม่คว้างเขาเขาเขาาอยู่กับผู้รู้แล้วก็มีอาการของของจิตเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันมันไม่จริงแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วเขาก็ดูตัวผู้รู้ต่อไปก็บอกเหมือนสระน้ําสระน้ํานี่ไม่ไม่มีเปลี่ยนแปลง เขาก็พยายามเปิดแต่ตอนนี้เปิดยังไม่หมดเปิดพอเห็นสระเป็นเิ็นน้ำบ้างแต่ยังไม่หมดครับผมอืท่านั้นเหรอเด็กก็ถูกต้องแล้วครับพิจารณาตามนั้นแหละล่ะพิจารณาอย่างนั้นแหะถูกต้องแล้วแหละเบื่ไปบ่อยเปิดไม่อยู่ไม่ถอยมันจะมาจากไหนบ้างไอ้แหนนั่นล่ะล่ามขึ้นหมดหไเขึ้นหมดแล้วหน้ามัต้องถามันอยู่ในนั้นแหละเหมือนอย่างที่รบกหงลังเนี่ยทาขาง ไปเผาจะหมดเตียนโล่งขึ้นที่นั่นเดี๋ยวนี้มันโล่งลงลังเพราะมีต้นไม้ปกคุมไู่เหมาะพอเอาต้นไม้ี่ออกหมดแล้วความเตียนโล่งไม่ต้องถามมาจากที่ไหนอยู่ที่นั่นแหละเตียนโล่งของจิตก็เหมือนกันนี่แหละมันเหมือนต้นไม้ใบญ้าปกคุมจิตอยู่เอาใจเหรอมีเท่านั้นแหละมีอะไรอยู่ะมันมันแทนแล้วเชือแล้วอันนี้แหละของจิตใบใบซุ้มงเลย เห็นเห็นสะนำแล้วเห็นแล้วเชื่อแล้วอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงครับเห็นบทสะแล้วยังยังไม่หมดนั่นนตงมันมีนั่นะ้าให้มันหมดนะเอาให้มันหมดเออนันะอนันะเอออันนี้ วันนี้จะเตรียมอะไรไปใส่ห่อหมากให้หมดเลยจะเดินทางลงพเช่วันนี้เยนะฮยมันเศรามันอ่ะมันโดนนั่นแล้วโดนนี่ตลอดขาก็เหมือนกันเดินไปเตะนู้นเตะแตนี่มือนี่เหมือนกันโดนน้นโดนนี่ไเลยมันเป็นอะไรช่างหวงเลยแต่มันไม่เห็นมาถามเราวะมันอู่มัน เราเป็นบ้าเลยไปถามพ <c oughs> วกนี้พวกบ้าไม่เลิกฉะ่นั้นแหล ะ, หละตอนนี้จะไปพกกุทธิ์ตนนี้ก็มาอยู่นานละเกี่ยวกับป้าหญิงเป็นวันประสูตรท่านและนิมนต์เราไปแล้วก็ไปเพื่อให้ความอบอุ่นเท่านั้นเอง เดินไปนั่นแหละนี่ไปเลยอันนี้ไม่ไม่มีใครฉันนะมันจะเราฉันกันเลยเอกเลยห่อละเออไปเลยไปเลย ยังไม่ได้พอรอยังเนอะกําลังเนี่ยเตรียมกําลังจะลูกแล้วนะทั้งนี้มามากระซิบยังไม่ให้พอโอ้ให้วันวันอิจิตังปฏิตังตุหังทิปเมวะสมิจตุสาเพรภูเรนตุสังกปะ ฌานโทปนะระโสยถามันโชติระโสยถาสัพพีโยวีวทัทฌานตุสัพพโรโควินัสตุมาแตผวัฒนตราโยสุขถีทีฆายุโกเวราะอัพอภีวาชนาสีริจนิจังมุทาะจาิีโน จตตารามาวาทานเตหายุวโนสุขังภาทานาทุไปละนี่แล้ว่าจะไปแล้วยังไม่ให้พรนึยังไห้พอแล้วก่อนมันลืมมัใช่อะไรนลืมไปละครับโทษโทไปเองไ ไปลูกับมีลก้างเก้างกว่าเขาจะได้ออกเนี่ยตัวไหนนะย่อนครับหยอนเลยมันเอาเก่งไอ้เอาเก่งไ้จี้ไอ้จี้ไม่ไปเอาไปแล้วมันขัดมันปวดยเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นเลยนะแปลกเลยแล้วนี่หลังเท้าก็บวมมันบวม ทั้งสองพอเป็นอยู่กับนี่กับเขา่ามันอ่อนหลังเท้าก็เลยบวมอย่างเงี้จะค่อยๆลูกเคยถูกทีแรกมันลูกลำบากนะมันปวดเนี่ยเนี่ยเอานี่ค่ำา่อพอขึ้นไปนี้ยมันก็ไปเร่สบายสบายนะ